ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะหยามากาลิกสัตตาหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือข้าวสุก ข, ขนมกุมมบาทข้าวตูปลาเนื้อภิกษุ ร, รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตรทุกกฎฉันต้องอบัตรปราจิตตีทุกๆคํากลืน